นิสยปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตาปัจจัยมี5วาระกรรมปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตาปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตาปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตาปัจจัยมี5วาระอินทรียปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตาปัจจัยมีหวาระ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 กรมมปัจจัยก no no ับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารลปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับโนวิกตปัจจัยและนะเหตุุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ